9 จตุปาหณวรรคสิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการใช้ผงแป้งอบ ฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงสงสารด้วยแป้งที่อบกลิ่นเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีชาภคีจึงสงสารด้วยแป้งที่อบกลิ่นเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับ ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยัง นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายแป้งพระ สงฆ์สนานเสร็จต้องอาบัติปาจิตตีย์อนาปัตติวาระภิกษุณีต่อคือ 1 ภิกษุณีสงฆ์สนาน 2 ภิกษุณีสงฆ์ 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีต้น 6 จบ 9 จตุปาหณวรรค เรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับวิหารเห็นแล้วตําหนิประณามพลทนาว่าไฉนพวกภิกษุณีจึงใช้ภิกษุณีให้ ภิกษุณีทั้งหลายได้ยิงคนเหล่านั้นตําหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนธนาว่าไฉนพวกภิกษุณี จึงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย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 นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณีผู้มี 3 ภิกษุณี สี่ภิกษุณีต้น 7 จบ 9 จตุปาหณวะกสิกขาบท 8 9 10 ว่าด้วยการใช้สิกขมานาสามเณรีคฤหหัตถ์ให้บีบ ภิกษุณีทั้งหลายใช้สกมานาให้บี่ป้างให้นวดป้างละถึงใช้สมณเริให้บี่ป้างให้นวดป้างใช้หญิงครุหทให้บี่ป้างให้นวดป้าง บรรดาภิกษุณีผู้มักแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบเป็น ภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดัง ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่า ต้องอาบัติปาจิตตีย์คำว่าหรือให้นวดคือใช้ให้นวดต้อง 9 10 จบ สิกขาบทที่ 11 ว่าก่อนเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระ ฉะนั้นพวกภิกษุนิไม่บอกก่อนณบนอาสนะข้างหน้าภิกษุเหล่าครั้นแล้วภิกษุนิเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติเสขาบทลําดับนั้น ภิกษุภิกษุณีไม่บอกก่อนนั่งบน แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทขึ้น นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาคือข้างหน้าอุปสัมบันก่อนคือก่อนคําว่านั่งบนอาสนะคือภิกษุณีนั่งโดยที่สุดแม้ว่ายังไม่ได้บอกต้องอาบัติ ยังไม่ได้บอกภิกษุณีไม่แน่ว่าบอกแล้วนั่งบนอาสนะต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสําคัญ ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ โกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มี ฉะนั้นพวกภิกษุ สิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือ คำว่าถามปัญหาคือภิกษุณีขอโอกาสในพระสูตรแต่ถามพระวินัยหรือพระ ยังไม่ได้บอกภิกษุนี้ไม่แน่ใจถามปัญหาต้องอาบัติปาจิตติยังไม่ได้บอกภิกษุนี้สําคัญ <Europe>. <nem> <compl ice> <resort>. ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 12 จบ 9 จตุบาหณวรรคสิกขา 13 ว่า เรื่องภิกษุณีรูป 1 สมัยนั้นพระผู้มีภิกษุณีรูป 1 ไม่มีผ้ารัดฐาน ครั้นเธอไปถึงที่อยู่จึง ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุนี้ไม่บ้านจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูล แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีจบสิกขาบทวิภังคําว่าก็ นี้ที่พระผู้คือเว้นผ้ารัดฐานที่ชื่อว่าผ้ารัดฐานได้แก่ผ้าที่ใช้ปกปิดอวัยวะใต้ราก เก้าผลอุปจาระไปต้องอาบัติปาจิตตีย์อนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีถูกชิงจีวรไป 2 ภิกษุณีจีวรหาย 3 ภิกษุณีผู้เป็นไข้ 4 ภิกษุณีผู้หลงลืม 5 ภิกษุณีไม่รู้ บทสรุปแม่เจ้า 166 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้า 166 สิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ 2 ว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ 3 แม่เจ้า 166 สิกขาบทเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงจบ ติเทศนียกัญแม่เจ้าทั้ง ภิกษุณีฉาภคีออกปากขอในไสยมฉันคนทั้งอร่อยภิกษุณีทั้งหลาย <Pie wine> ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอก พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุ ภิกษุณีใดออกปาขอในไสยมฉันภิกษุณีนั้นพึงแสดง พวกภิกษุณีผู้ถาม ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้เป็นไข้ออกป่า แม่เจ้าเจ้าดิฉันต้องทําคือปาติเทศนียะเป็นธรรมที่จบสิกขาบทวิภังคําว่าอนึ่งใดคือผู้ใดผู้ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสมเอาว่าภิกษุณีในความหมาย ต้องอาบัติทุกกฏในขณะที่ขอรับประเคนมาด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัติทุกกฏเพราะได้มาเธอฉันต้องอาบัติปาฏิเทสเนียทุกทุกคําเกลือต้องอาบัติปาฏิเทสเนีย ไม่เป็นไคลภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากขอในไสยมฉันต้องอาบัติปาฏิเทศนียะไม่ เป็นไคลภิกษุณีสําคัญว่าคือ 1 ภิกษุณีผู้เป็น 6 ภิกษุณีออกปากขอเพื่อผู้ 1 จบ 2 8 ว่าด้วย สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค คนทั้งหลายจึงตําหนิประณามโพนธนาว่าไฉนพวกภิกษุณีจึงออกปากขอบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนธนาว่าไฉน ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายเฉไนพวกภิกษุเนชาภคีจึง แม่เจ้าดิฉันต้องทําคือปาติเทศนียะเป็นธรรมที่น่าติเตียนจบเรื่องภิกษุณีเป็นไข้ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือพอเป็นอยู่ได้หรือภิกษุณีผู้เป็นไข้กล่าว พระผู้ ดิฉันต้องทําคือปาติเทศนียะเป็นธรรมที่เรื่องภิกษุณีจบสิกขาบทวิภังคําว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้ นี้ที่พระผู้มีพระว่าภิกษุณีในความหมายว่าผู้คือผู้ขาดนมเปรี้ยวก็ยังมีความผาสุกที่ชื่อว่า ที่ชื่อว่าน้ำผึ้งได้แก่น้ำรสหวานอ้อยได้แก่น้ํารสหวานที่เกิดจากอ้อยที่ชื่อว่าปลา นมเปรี้ยวของฉันมีโคเป็นต้นเหล่านั้นแหละภิกษุณี ไม่เป็นไคลภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัติปาฏิเทสนิยะไม่เป็นไคล เป็นไข่ภิกษุณีสําคัญว่าเป็นไข่ออกปากคือ 1 ภิกษุณีผู้เป็นไข่เปเปเป 2 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีออกปากขอเพื่อ ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ 2 ว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วจบ 6 เสขียะแม่เจ้าทั้งหลายแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือเสขียะ 1 ปริมณฑลวรรคหมวดว่าด้วยการเส ภิกษุณีฉาภคีครองอันตรวาสกย้อยข้าง ในไหนพวกภิกษุเนชาภคีจึงครองอนตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างย้อยข้าง พวกภิกษุนิชฌัพพคีครองอนตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติพึงทําความสําเหนียกว่าเราจะครองอันตรวาสก อนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีไม่จงอน 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณี 7 ภิกษุณีต้นบัญญัติ 7 ปาธุกาวรรคหมวดว่าด้วย เรื่องภิกษุณีฉาภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคบ้างปัสสาวะบ้างโบ่นน้ำลายบ้างลงในน้ำพวกชาว ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตําหนิประณาม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ ฉะนั้นพวกภิกษุนิฉัพพคีจึงถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลาย สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้เป็นไข้ถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลง ภิกษุณีไม่เป็นไคลไม่พึงถ่ายอุจจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำภิกษุณีใดไม่เอื้อเฟื้อไม่เป็นไคลถ่ายอุจจระคือ 1 ภิกษุณีไม่จงใจ 2 ภิกษุณีไม่ 3 ภิกษุณีผู้ไม่ 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณีถ่ายบนบกแล้วไหลลงน้ำ 6 ภิกษุณี 7 ภิกษุณี 8 ภิกษุณี 9 ภิกษุณี 10 ภิกษุณีต้น 15 จบปาธุ 7 จบบทสรุปแม่ ข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือเสขิยะเหล่านั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้ว เสขิยกันจบ 7 อธิกรณะสมาถะ 7 เหล่านี้มาถึงวาระที่จะ 5 พึงให้เยปุญยสิกา 6 พึงให้ตัสสะปาปิยสิกา 7, 7 อย่างข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอ แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้ว 7 เหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งจบคัมนิคม ธรรมคือปาราชิก 8 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือสังฆาธิเสส 10 30 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 166 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคือปาฏิเทสนียะ 8 สิกขาบทข้าพเจ้า ธรรมคือเสขิยะทั้งหลายข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วธรรมคืออธิกรณสมถะ 7 ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว job.